ฟังธรรมะโดยส่วนใหญ่ท่าฮะใจเราหิวธรรมะคือเคยมีพิจารณาหนดจิตใจแล้วก็มีแต่ส่วนตัวเองทำอยู่ตลอดมาไม่ได้ฟังเสียงจากครูอาจารย์จิตใจมันหิวอยากจะระดับรับฟังพอเอ่ยธรรมะขึ้น รู้สึกมันมีรสชาติก่อมจิตใจให้เย็นสบายฟัาาางบ่อยๆมันก็มีการเบื่ออีกเหมือ น, นกันธรรมะที่ท่านพูดไปไม่เข้าสัมผัสกับใจและอีกอย่างจิตใจของเราไม่เกี่ยวข้องกับการภาวนา ไม่อยากจะกะดับรับฟังอะไรจากนั้นก็ไม่ได้ผลอะไรนอกจากแต่ลำคาญในการรับฟังการฟังณหาถึงธรรมะประเทเดียวกันออกจากพระโอษของพุทเทเจ้าเหมือนกันผู้สดับรับฟังจึงได้รับผลกิจแตกต่างกันบางขันบางคนก็จะสำเร็จเป็นอรหันตอรหันต์บางขันก็ได้ อนาคาอ้างกันไปแต่จิทาคาโสดาหรือถึงไฟาจคณะคมหรือบางกันมีนมีอะไรติดตึนไปทั้งทั้งที่ธรรมะออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เหมือนกันนี่ก็หมายถึงใจมันรับใจมันไม่รับแตใจมันรับเป็นที่ก็ได้ผลเป็นที่เพราะฉันเอยธรรมะก็ทิ้เจรณาไป ตามในธรรมะที่สแสดงจิตใจก็เห็นแจ็งสิ่งที่ควรละควรบำเพ็ญทีนี้ที่ใจนาในตัวเรื่อยไปละถอนเรื่อยไปอย่างพวกปัญจวัคคีย์ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าหรือพวกเสด็จสรรมาธิอยู่ในนั้นปัญญาอยู่ในนั้น ศีลไม่ต้องพูดถึงว่าศีลการะระดับเราฟังธรรมกายเราปกติวาจาของเราปกติไม่ได้ไปทำไปพูดสิ่งที่ชั่วเสียจิตดึงอยู่ในภายในในตึงไปเปลี่ยนเน อ, อดีตอนาคตไม่เกี่ยวขอ้องกำหนดอยู่ในปัจจุบันพิจารณากันเปลือยราเปลือยถอน นี่คือการฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าจิตใจที่ไม่เกี่ยวข้องกับอดีตอนาคต อ, อย่างนั้นจิตใจเป็นปัจจุบันใจไปเลยรู้เห็นในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นถ้าเาไปเกี่ยวข้องนึคิดติด ต, ตามเรื่องอดีตอนาคตแต่มันผลอะไ ร, ระก็มันด้กำหนดอยู่ในภายใน มัจะปล่อยหลออกไปภายนอกอย่างกานแสดแงทำโปรดองคุลิมานโจนท่ า, ากันคิดวกไปแล้วข่าวผูกข่าคนอย่างนั้นอย่างนี้คงจะเป็นแบบกรรมเขาทำชั่วแต่คิตไปอย่างนั้นอังคุลิมานโจนจะประดยชนผลอะไรก็จะเสียใจให้แกตัวเองที่ทาชั่วทําเสียหนีท่านไม่ได้ชิด อดีตที่ผ่านมาอนาคตที่จะถึงครั้งหน้าปัจจุบันเป็นอยู่อย่างไรกำหนดใจอยู่อย่างนั้นใจจะได้มีทางสงบสงบใจจะได้สัมผัสกับอัตธรรมความตั้งมั่นของใจแนวแนวลงไปปัญญาความวาที่จะสมระสาสารกิเลสกันหาภายในก็เกิดขึ้น วิ่งเห็นตามคําสอนที่หลวงพ่อใจจ่าเนี่ยสอนทั้งปริมาณถึงขั้นได้รับมาผลจากกา ร, ะรออาาาสะดับรับฟังประวัติของหลวงพ่อใจจ่างมีพวกเราท่านต่างคนต่างเคยสดับรับฟังทำคําสอนจากครูอาจารย์หลายท่านหลายองค์และเคยปฏิบัติมาตามโอกาสเวลา อํานวยแต่จิตใจก็ไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้เรื่องของอัดของทมเท่าที่ควรคือม่อยากจะสายแสบปวนปันไปในสัญญาอารมณ์อดีตอนาคตปวนปั่นไปตามอารมณ์ของโลกฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นจึงเนปรากฏ ความเยือกเย็นเห็นแจ้งในจิตในใจที่จะเป็นไปถึงความบริสุทธิ์ไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยเห็นนี่คือเราไม่ทําจริงทําจั ง, งไม่เอาจริงเอาจรงในการประแบบปฏิบัติถ้าเจึงเอาจริ ง, รง ท, ำ ท, ำทาคำสั่งสอนของพระเจ้าไม่ได้เลือกหน้าว่าเป็นพระเป็นเมนเป็นคารวาอยากอยู่ เพาต่างคนก็กนต่างมีธาตุมีขันเหนืองกันมีจิเลปัญหาเหนือนกั น, ม, ก น, ม, น, กนมีสมาธิปัญญาเหมือนกันมุ่งมันม่นที่จะจะทำบาเพ็ญมุ่งมันม่นที่จะบรรลสกษะสังข์จิงๆั่วเสียต่างๆในตัวของตัวมันจะมีทางที่จะสบงบระงับมีทางที่จะได้รับ ความสุขความสบายถ้าหากทำเล่นๆไม่เอาจิงเอาจังไม่ว่าจะฟังหรือจะทำส่วนตัวก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นเพราะทำพอเป็นพิธีในตางหาตัาตาจะเอาดตเอาดีจากการกระทำของตนผลจึงไม่เกิดขึ้นเพราะไม่รักษาในตังหา ทำจริงสมควรที่จะเป็นจะเห็นจะรู้ก็ไม่เกิดไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้ให้ดังนั้นจงพากันตั้งใจบำเพ็ญคุณความดีให้เป็นที่อย่าไปคิดปรุงผิวนอกพยายามรักษา แต่พิจารณาเฉยๆโดยมีหลักของสมาธิพเจารณาก็เลยเถิดเลยแดนออกไปไม่มีฝั่งมีฝาใหา้จิตก็เลยเหน็นแจ้งเห็นจริงในสิ่ ง, น, งนั้นนั้นตามเป็นจริงให้เพราะขาดสมาธิคือความหนักแน่นของใจอันนั้นจึงควรกําหนด บทบริกรรมหรือลมหายใจเพื่อเป็นเบื้องต้นให้จิตของตนได้รับความสงบเยือกเย็นพอเป็นพื้นฐานเสียก่อนอยู่ที่พี่เม่พี่เจน่ะขอให้พิเจน่ะเหลือความเอาใจใส่เพราะสิ่งถั่วไปทื่พ่อพุทธเจ้านำมาสอนไม่เหนือสติ ปัญญาจะ ต, ต้องพิจ า, ารณาเองพิจารณาเห็นและจิตใจเนื่อรู้เนื่อเห็นตามเป็นจริงจะไม่แหลกแล้วจะอยู่ในขอบเขตจสุขจะสบายไม่มีอะไรที่จะมาหลอกลวงรบลวนจิตใจเพราะความรู้ความเห็นที่ตัวรู้ตัวเห็นตัวพิมพิจารณา เลื่องตัวเท่านั้นมันทั่วไปหมดจริงๆมันเสงใสจริงๆมันของใจมันจะลาภถอนไปหมดเพราะคนอื่นสัตว์อื่นหรือชาติอื่นข้างหน้าก็มันไปจากที่ไหนไปจากใจของเราใจของเราไม่เห็น แล้วจากชาติเปลี่ยนยิ่งเกิดสงสัยดังนั้นผู้ี่เงานด้วยความตั้งใจพิ่งานี่การเอาใจใส่เติมความรู้ ให้เกิดราคะตัญหาให้เกิดโลภกดธห ล, ลงนอกจากตัวของเราเท่านั้นตัวของเราเองประหัตประหารตัวของเราเองฆ่าตัวของเราเองเป็นภัยร้ายที่สุดแก่ตัวของตัวเพราะกิเลสปัญหาภายในใจประหัตประหารเก็ดฆ่าส่วนคนอื่นยังมีทางหลีกเลี่ยง นี้ได้เพราะมันอยู่ห่างไกลจากตัวของเราดังนั้นเปลือกของเราจึงควรกำหนดพินิจพิจารมาให้ครบให้พอให้เข้าใจมันสงสัยอะไรโลกนี้โลกหน้ามันไม่มีอะไรที่จะน้าสงสัยเพราะตังแป่ วันนี้ มาอย่างไรไปอะไรอย่างนั้นไม่มีใครหาบหามขอพู่สิ่งที่เป็นหวงเหียนยึดถือว่า ความจริงจังความเป็นอยู่ของคนคนนั้นจะมีความสุขอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่ว่าเกิดว่าแจอะว่าเจ็บว่าตายเข้าใจตามหน้าที่ของมันธาตุขันมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราไม่รู้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นได้รู้มันแล้วมันก็ไปหายไปไหนจึงมัมีทางสงสัยภายในใจ ราคาตันหาที่จะเกิดขึ้นได้มีความกำหนับมีความอยากกดเฉพาะความหลุ่มหลงของใจความหุ่มเหลงของใจนั้นมันฝังมั่นมาแต่ไหนแต่ไรเพราะใจเนึ่งมีปัญญาสามารถที่จะดูเห็นตามเป็นจริงโลกเขาก็มบมั่นหมายอย่างไรใจก็ไปคาดหมายอย่างนั้น ถ้าพิจารณาด้วยอัดรมคำสอนของพระพุทธเจา้ารูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเข้าใจถนัดชัดเจนว่ารูปที่เราลุ่มหลงอยู่นั้นมันมีการแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปตามหน้าที่ของมันไม่ว่ารูปเขารูปเราเหมือนกัน รูปที่เราหลุมหลงเกิดเพลินแบบสวยปดงดงามอย่างนั้นอย่างนี้เป็นชั่วระยะเวลาสั้นๆเยอะมันก็แก่เหนียวแห้งไปไม่สดใสสวยงามเหมือนดอกไม้เวลามันกําลังเติมกาลังบานก็ดูงดงามดูสวยงามแต่ไม่จีวัน อีช่วโมงดอกไม้ที่มันบานผ่องใสสว ย, ยงามอยู่นั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของมันไป เ, นเหนเียวแหีงเหลืองเลยไปต า, ตามหน้าที่ของมันเรื่องธาตุขันสัตว์บุคคลก็ทํานองเดียวกันพ่อแม่ของมันเป็นอย่างไรลูกของมันก็เป็นอย่างนั้นไม่มีใครที่จะแหวกแนวมิจฉาเรื่องของพืกพันไปได้ฝืก พนข่อแม่ของเขาเป็นอย่างไรลูกของเขาเป็นอย่างนะั้นที่เราหลองตพิจารณาเห็นว่ามันเวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้เกิดราคะความกำหนัดยินดีเกิดปัญหาความอยากได้ปิดบังสติปัญญาวิชาภายในของตัวถ้าพิจารณาให้ทั่วมันไม่มีปัญหาเพราะสิ่งที่เรา กำนังยินดีมันเป็นไปจากใจไม่ใช่ว่าอวัยวะไม่ใช่ว่าร่างกายของเรามันลุ่มหลงมันไม่ลุ่มหลงอะไรเรื่องของร่างกายมันเหน่ว่ามันเป็นหญิงเป็นชายมันเห่ยว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลทุกสิ่งทุกอย่างถามดูก็นด้พอจิตออกจากร่างไปเท่านั้น จะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามไปถึงเทินกันไว้ไปให้ใครที่จะกำหนัดยินดีธาตุสี่ของมันจะเล่าจะเสื่ออย่างไรมันก็เปลนไปตามธาตุสี่ของมันผลที่สุดธาตุมันคงไปสู่ธาตุเดิมของมันไม่ว่าธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟถ้าเราไปพิจารณาเข้าถึงมูลฐานของมันจะล้มกันเรื่อยไปเรื่องของใจ มันเป็นอย่างนั้นผู้จิตพิจารณาสัมล่าสาสางจิตใจของตัวจึงมีทางที่จะละชั่วละชีเลดได้ไม่เหลือวิสัยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันกระจางแจ้งเรียหมดมันมีอะไรผิด บ, บังนอกจากจิตใจของตัวผิดจิตใจของตัวเองหลุลหลงอยูยเสมอ พิจนารณาถึงฐานของมันใจมันจะหายสงสัยใจมันจะได้รับความเบาความสบายไปที่ไหนไม่มีภัยอันตรายว่าจะเลี้งในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอีกต่อไปพอเราเข้าใจไปจากชัดเจนจากการภาวนาไม่เหมือนการจำมาจากลมปากของคนอื่นหรือตำหรับตำราพอมันเกิดขึ้น ภายใเข้าใจชัดเจนการฟังหรือการอ่านตามตหรับตารางมันไม่เข้าถึงจิตมันเพียงแต่สัญญาไปจำเอาไว้แต่การภาวนามันเข้าถึงจิตถึงใจใจรู้ใจเห็นจึงจะแล้วเคยรู้เคยเห็นแต่มันประทับขึ้นอีกความรู้รู้เรื่องความรู้อีก ประทับเข้ารู้ที่เราเห็อยู่ขึ้นเดิมของเรามันเป็นความรู้ธรรมบัญญความอยู่ของสามันทั่วไปใจของสัตว์ของบุคคลที่ในเดชพิเพิสปฏิบัติมันรู้อู่แต่มันโกหลงอยู่มีรู้แล้วหลงมันจึงช้าในได้จึงเกิดทุกข์เกิด ยากเกิดลำบากลำคาญบางการบางเวลา ร, า, ารักบางการบางเวลาชังไม่ยินดีไม่พอใจเพรเหตุความรู้พื้นฐานธรรมดามันรู้เหลวงอย่างนั้นมันจึงไม่คงเส้นคงวาให้ใจจึงไม่ปกติบางทีดีบางทีชั่วตัวเองก่อร่า อยู่ในตัวของตัวใจชนิดนี้ที่จะํำระสะสารพิจรารณาล้างให้สะอาดเป็นความรู้ที่มันมีอยู่เดิมก็รู้ว่าเป็นความรู้ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นความรู้ทางดินแดณความรู้ทางสังขารความปูุงคิดความรู้ ที่เหนือสิ่งเหล่านี้คืออะไรเราจะทราบจากการประพฤติปฏิบัติของเราแตความรู้นั้นไม่ใช่ความรู้ของความสงบไม่ใช่ความรู้ของความสุ่มเดาไม่ใช่ความรู้เก่าที่เรามีมาก่อนเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติไปจากในจิตในใ จ, ในใจว่าความรู้อันนี้จะมีอะไรตำละอีก ควารู้อันนี้จะมีอะไรเสียหายความรู้อันนี้ประพฤติปฏิบัติไปอีกหมื่นปีแสนปีจะมีอะไรดีขึ้นอีกไหมผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อเกิดความรู้อย่างนั้นจะทราบซาบับภายในตนว่าไันมีอะไรที่จะเสียไปที่จะได้มาเป็นความบริสุทธิ์ เป็นที่แต่กับความบริสุทธิ์ที่เรามาทมมตกับความบริสุทธิ์อันนั้นนอกจากท่านผู้ประพริบปฏิบัติจะรู้ต่เห็นมันจึงพูดอะไรเข้าไม่ถึงเหมือนกันแต่เราคันอยู่ในลำคอของเราเราเกาเราเ้าได้ไปข้างนอกข้างในเรามันสามารถที่จะร่วมเขาเป็นเกาได้มีความรู้ แต่เป็นวิมุตต์ความรู้ที่บริสุทธิ์ที่ท่านว่าสันติธรรมหรือนิพพานก่อทานองนั้นจะฟังขนาดไหนถ่าใจไม่เป็นมันก็ยังมีการสงสัยไม่เข้าใจอยู่ในตัวเองถ้าหากเขียนหากเป็นแล้วพอเอ่ยขึ้นมันก็รู้ก็เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช่ ในโลกสมมติยังเหลืออยู่ไม่มีอะไรที่จะสิบหายไปโลกเขาสมมติอย่างไรก็พูดไปตามเขาไม่อย่างนั้นจะเอาความบริสุทธิ์อันนั้นออกมาเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้มันเกี่ยวข้องเลยได้เพราะความบริสุทธิ์ต่อเป็นความบริสุทธิ์สมมติต่อเป็นสมมติไม่นเหนมือละคนกัน ท่านจึงเนี่มีการเข้าการออกการเสี่ยงการจเจริญความบริสุทธิ์อันนั้นที่ทำเดินเป็นกลมก็ดีหนังภาวานาะเข้าสมาชิกสมาบัติอย่างพระพุทธเจ้าไม่ใช่ท่านทําเพื่อสาระไม่ใช่ท่านทําเพื่อบาเพ็ญท่านทําเป็นมีหาและทำของท่านผูนน้ดีจิตรู้เห็นเป็นอย่างนั้น แ, แต่ต้องมีทำส่วนนั้น เป็นเครื่องอยู่ของท่านในเวลาเลยเคยยิ้มเคยถ่ายก็ยิ้มก็ถ่ายอย่างเดิมแต่จ ะ, จะล่มหลงแต่กามเรื่องภายนอกไม่ลืมหลงอะไรทุกอย่างในทางสมมติทราบดีทีตเป็นมุตกว่าทราบดีนี่คือจิตเข้าถึงที่ในการภาวนา เดียวกันหมดพระพุทธเจ้าจะปริบิธทานไปนานขนาดไหนกี่แสนกี่ล้านองคก็ต้องเห็นอย่างนี้ต้องเปนอย่างนี้ที่จะมาตัสงรู้ใหม่ก็เหมือนกันสาวกคนที่ถึงความบริสุทธิ์ก็เหมือนกันมันหมดสงสัยอาการขังกระถาในใจไม่มีเป็นสันทิฏฐิโกรู้เฉพาะ ัวเห็นเองเฉพาะตัวไม่ต้องให้คนอื่นมารับรองใบประกาศนิรบัตรอย่างนั้นอย่างนี้เอาให้เป็นสุดดีดีเสียมันจะเป็นได้ตามเรื่องภายนอกเรื่องภายในเป็นอย่างไรเข้าใจในตัวเป็นปัจจิตังไม่มีทางสงสัยแต่ถึงเต็มอย่างนั้นท่านก็อยู่กับโลกได้ พระพุทธเจ้าทรงแนะนํำสั่ง ส, สอนสัพพะสัตว์ก็เอาสมมุิ ม, มาแนะนำสั่งสอนไม่ได้เอาเรื่องลิมมุดความบริสุทธิ์นั้นนั้นความบริสุทธิ์นั้นนั้นเมื่อประพฤติปฏิบัติไปถึงที่จะต้องเห็นเองหายสงสัยเองไม่ใช่ว่าท่านสอนไปแล้วเราจําได้แล้ว <c oughs> จะเปลีนไป มันเปลียนไปเฉพาะใจที่ไปรู้ไปเห็นไปเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราท่านจุดสนใจในการประพฤติปฏิบัติจึงฝึกหัดอบรมตัวตัางหน้าต่างตาภาคเพียนภาวนาให้เต็มที่เต็มฐานอย่าไปชิดว่าวันนั้นก่อนวันนี้ก่อนถึงที่โน่นก่อนถึงที่ นั่นก่อนมันเป็นปกติเรื่องของเจืเหลืตปัญหาเคยเป็นเจ้านาย้องใจเรามาจะต้องหลอกอวเลือลล่อยไปไปอยู่ในสถานที่นั้นบาเมื่อคัดข้องไม่สะดวกสบายไปที่นั้นจะเริ่งความเคลียอให้เต็มที่เต็มฐานกอไปมันก็โกหกอีกว่าที่นี้ไม่เหมาะดีที่นั้นคงจะดีกว่าวิ่งอยู่ตลอดเวลา ถูกมันหลอกมันลวงเรื่อยไปไม่ตั้งใจเอาจริงเอาจังนี่คือกลมายาของเกลียดตัญหาในจิตในใจของทุกคนเคยเป็นมาเราไปที่ไหนมันก็นัง่งขี่หลังหลังคอเราไปในใจมันจะลงหลุดหนีไปที่ใหม่ถ้าหาเราตั้งใจตากเพืเพ่นพวันนา นิสิติปัญญากำหนดจิตใจของตนอยู่สม่ำเสมอความคิดพูภายนอกอย่างนั้นจะสงบปังงับพอเราเคยคิดปรุงเชื่อเรื่องพวกมันมาเป็นระยะยาวนานไม่เห็นอะไรที่จะเกิดขึ้นนอกจากแต่หลอกลวงตัวเองไปที่นั้นว่าที่โน้นไปที่โน้นว่าที่หน้าเลื่อยไปเดี๋ยวไเอาใจใส่ เราจะวิ่งตามเรื่องพองมันอย่างนั้นเมื่ อ, อไรมันจะทันมันมันมีเวลาทันการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าหรือสาวท่านตั้ง อ, อกตั้งใจกําหนดภายในอยู่ ส, สม่มําเสมอไม่ลดละไม่คิดนอกมีแต่คิดในจะแก้ไขจิตใจของตัวเรื่อยไปเรื่องการเรื่องการห่มกันรวบการฉันการอยู่การอาศัย พอประทางชีวิตไปได้ไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาส่วนใหญ่ไม่ได้ติดในรูปในเสียงและกลิ่นในรสมีแต่มุ่งมัน่นคือจะกำหนดจิตใจว่ามันคิดใคร่ถูกอัดทำหรือไม่คิดไปมันเป็นทางสำลระหรือทางกอบโวยที่เหลือปัญหาดูภายใน ของตัวอยู่ด้วยไปถ้ า, าเราดูภายในพิจารณาภายในกาหนดธาตุขันธ์ของตนว่าธาตุของคนที่ตายไปกับธาตุที่เรายังอยู่เหมือนกัน<ม>คนที่จะเกิดขึ้นมาข้างหน้าก็ามีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างกันมีธาตุทั้งสี่เหมือนกันลมดินน้าลมไปเหมือนกัน ธาตุทั้งสี่นี้ให้สุกให้ทุกข์แก่ตัวของตัวอย่างไรธาตุทั้งสี่นี้เป็นของสกปสกหรือเป็นของสวยงามอย่างไรจะแหนกแฉกออกดูให้ทั่วในตัวของตัวเมื่อเราพิิจารณาตัวของตัวอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นว่าธาตุขันธ์อันนี้เป็นของสกปสกเป็นของปฏิกูลเป็นอสุภะยิตที่มา ลุ่มหลงมาอาศัยในกองหลุกกองพูดของเนาของเห็นเหมือนวาเป็นของสวยงามเป็นหน้าสรดสังเวชในตัวของตัวเองนี่คือการพิจารณาธาตุพิจารณาขันมันเหมือนกันหมดคนที่ลุ่มหลวงแลือคนที่รู้ต่างแปลว่า เห้ืเมื่อเข้าใจถึงเรื่องของถาดฐานจริงจังยามจิตในติตข้องในถาดขันมันสะดวกมันสบายจะตายหรืออยู่ไม่มีปัญหามันที่แตกแตกต่างกันตรงนั้นไม่รุนแรงไปสถานที่ใดยิมใจสบายใจส่วนคนที่มาเดี๋ยวทาสารเพิเจารณาถึงโยนฐานพวกมันไปสถานที่ใดนี่จะ ไปอันตราไปที่นั้นไปติดข้องกับรูปนั้นเสียงนั้นไปที่นี้ติดข้องรูปนี้เสียงนี้เลื่อยไปเพราะใจมันหลงความจริงเราไม่เห็นหรูปนั้นมันก็มีอยู่เราเห็นแล้วทำไมจัวหนอสอนใจท่องตนจะไ ป, ปล่มหลงเลยๆทำไมคนมีอานีธรรมทำไมปล่อยใจไปอย่างนั้น ทำไมมีสติบัญดารู้ตัวสอนตัวต้มแมะสอนตัวห้องตัวเตือนตัวห้องตั ว, ต ว, ตวสม่ำเสมอใจเมื่อมันวกเข้ามาภายในที่เจนานกายใจข้องตัวไปจากชาดัดเจนมันมีแต่วันที่จะสงบมีแต่วันที่จะสบายมีแต่วันที่จะเยือกเย็นมีแต่วันที่จะเห็นใขร ไมยอมอยู่ไม่อยอติดข้อ